أعوذ ب ا ل له من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان ول إلى ا ل ظ ا ل م ي ن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ا ل أ ظ ي م الله ملك الحمد حتى ترضى و ل ك الحمد إذا رضيت و ل ك الحمد الح بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين أما بق لقر قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد عود بالله من الشيطان الرجيم بل تؤذرون الحياة الدنيا والآخرة خير و ب ا, وال آ, خ خ وا ا ب ق ا إن هذا لفي ا ا ل ح ص ح ف الأولى ص ح ف إبراهيم وموسى ขอบริษัทรับบาลที่รักของพวกเราสุภาพนัวตาทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันต่อมาทําการศึกษาใน พระดำรัสของผู้ลอสุบฮานะฮูอัตาลาเรายังคงคุยกันอยู่ในส่วนของสุรตุลอาลาในอายะที่17นะครับว่าอัฟลุตุคอยรู้อับกอเราได้พูดกันไว้นะครับในช่วงตอนที่ผ่านมาว่าในเรื่องของการที่เราเนั้นจะพยายามทำตัวให้เป็นมุสลิมที่สามารถอยู่อาศัยในดุนยาแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยผู้ลอสุบฮานะฮูตาลาได้กล่วาวไว้แล้วว่ากอัฟละฮะมันตซักกะวะกรมรบีฟลล ผู้ที่จะประสบชัยชนะอย่างแท้จริงผู้ที่จะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงในชีวิตของเขาเนี่ยคําว่าชีวิตของเขาก็คือตลอดไปทั้งยืนยาวและอาครรัะน์นะครับผมก็ ค, คือผู้ที่เขานั้นหมั่นที่จะขัดเคลา่อนตนเองผู้ที่เขาราลึกถึงพระนามต่างๆของนายของเขาแล้วก็ผู้ที่ทําการละหมาดปาวเราก็ได้บอกว่านี่คือกุญแจง่ายๆนะครับสามดอกที่จะทำให้เราประสบชัยชนะในขณะเดียวกันเพราะว่าบอกบอรตุซีรูนัลฮายาตดุนยาแต่ท้ว่าพวกเจ้านั้นก็เลือก ที่จะทุ่มเทให้กับดุลยาเราก็เลยมาคุยกันต่อนะครับว่าในยักต่อมาเนี่ยพเพราะว่าใช่ครัว่าวาล์ลาร์คาร์ดค่อยรู้อบกอแล้วอาคิร์ะัสนั้นมันดีแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ถาวรเพื่อให้เรารอดพ้นจากดุลยาเพื่อให้เรานั้นรอดพ้นจากการที่จะเลือกดุลยาจนลืมอาคิร์รัลเราก็ได้คุยกันต่อว่าก็มีกุญแจอยู่3ดอกที่ว่าอินชาอัลลอฮ์หากท่านใดก็ตามที่สามารถ ยึดมันได้อย่างแท้จริงนี่จะเป็นกุญแจที่จะทําให้เรานั้นรอดพ้นจากการยึดติดกับดุนยาอย่างเดียวโดยไม่สนใจอาค์เคโรสเดอร์แรกเราได้คุยกันไปแล้วนะครับว่าในการตัดสินเมื่อเราอยู่ในชีวิตในดุนยาเนี่ยเวลาเราจะคิดเราจะมองเราจะเข้าใจเราจะมีความรู้สึกอย่างไรก็ตามเนี่ยให้ใช้บรรทัดฐานของอาค์เคโรสเป็นหลักให้ใช้บรรทัศฐานของอาค์เคโรสเป็นหลักแล้ว ความเข้าใจของเราจะมากขึ้นความสบายใจเราจะมากขึ้นคือต่อให้คนทั้งโลกจะมองว่านี้เป็นเรื่องที่มันทรมานถ้าเราใช้เกณฑ at ์อาเคโรตัดสินอันนี้มันคือความสุขอ่าเราก็จะมีความสุขและต่อให้เป็นเรื่องที่คนทั้งโลกบอกว่ามีความสุขเป็นเรื่องที่ดีมากๆอย่างเรื่องปาร์ตี้การร้องล้ำทำเพลงการทำซีนาการกินเหล้าต่อให้คนทั้งโลกจะเห็นว่มันดีถ้าเราใช้บรรทัศฐานของอาเคโรตัดสินถ้าเราอยากได้อาเคโนะเรายุ่งกับสิ่งเหล่านี้อาเคโเราไม่ได้แน่นอน เรก็จะรู้เล ว, ว่าการยึดกับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพรา ะ, ะนั้นเรจึงบอกเขาว่ากุญแจดอกแรกในที่สําคัญที่สุดเวลามองชีวิตให้มองโดยใช้ไม้บรรทัดหรือใช้บรรทดฐานของอารา์เคโรแล้วชีวิตเราจะมีความสุขและเราจะหลุดพ้นจากการที่ยึดติดกับตุนยาจนหลงลืมอารา์เคโร วันนี้เราจะมาคุยกันถึงกุญแจดอกที่สองครับซึ่งก็มีความสำคัญยิ่งวยวดเช่นเดียวกันครับผมสำหรับผู้ที่อยากจะประสบชัยชนะอย่างแท้จริงในชีวิตทั้งดุนยาแล้วก็อาคีรั์สำหรับผู้ที่ว่าไม่อยากจะถูกเหนี่ยวรั้งไว้กับดุนยากุญแจดอกที่สองคือสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องทำให้ได้นั่นก็คือเราต้องเติมเต็มอหมานของเราให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คำว่าเติมเต็ม إ ي م า ن เนี่ยครับเติมเต็มการศรัทธาเนี่ยบางทีมันพูดดูเนี่ยมันเหมือนจะเข้าใจแต่บางทีมันก็ยากคือพอเราจะมาพูดว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยเติมเต็ม إ ม م ا ن เนี่ยต้องทายังไงเลยที่เรียกว่าการเติมเต็ม إ ม م ا ن ที่เราจะรู้สึกจริงๆว่า إ ม م ا ن ฉันกาลังเติมเต็มขึ้นบางคนอาจจะบอกว่าก็ทําความดีไงคือการที่บอกว่าการทําความดีเนี่ยพี่น้องมันมั น, ม, นมันเหมือนจะเข้าใจใช่ไหมครับแต่ว่าพอจะทําจริงๆเนี่ยก็ แก็ทําความดีแล้วเติมเต็ม إ ي م านความดีโอเคความดีความดีอาจทําไปแล้วกันมันยังไม่เคลียร์เอากระตรงๆครับเพราะฉะนั้นครับมีฮะดีสมาฝากพี่น้องอย่ในเรื่องของหมาบุคอลีและหมา穆斯林ครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจคําว่า إ ي م านให้มากยิ่งขึ้นแล้วเราจะได้รู้ว่าเราต้องเติมเต็มอะไรบ้างในตัวของเราเราจะได้มีโฟกัสถูกครับว่าจะไป แ, แนวไหนให้มันชัดเจนอะไรที่ควรปรับอะไรที่ควรแก้อะไรที่ควรพัฒนาอะไรที่ควรจะรักษาไว้ จะันับมลกับว่าอิมานุบิดะะบเออบิดะะิชบะอัฟดุฮกล่าาีอสละานมัว่าะขอกาจากอิมานปรแท่านนบีมุสลิซันบอกไว้ก่อนนครับว่าการศรัทธานั้นมีกิ่งก้านนะพี่น้องมีกิ่งก้านแะมีการแตกสาขาแตกแขนงออกไปนะ แปลว่าอีมานเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเราเห็นแบบเป็นก้อนก้อนเดียวมีก็มีหายก็หายไม่ใช่แต่อีมานเนี่ยถ้าจะวาดภาพเหมือนต้นไม้ที่ว่ามีการแตกกิ่งก้านล้วก็ต้องมีกิ่งก้านให้มันสมบูรณ์ตามนั้นน่ยพี่น้องพี่น้องถ้าเกิดว่าใครที่เป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนเนี่ยเวลาเราจะปลูกอย่างต้นไม้บางอย่างเราจะรู้แล้วว่าปลูกต้นไม้เนี่ยต้องปลูกแนวไหนใช่ไหมครับผมอย่าง อ, อย่างปลูกทุเรียนเนี่ยจะปลูกให้มันขึ้นสเปซสปายเนจะปลูกให้มันแยกเป็นกิ่งถึงเวลามันออกผลจะได้ เก็บเกี่ยวง่ายมันก็มีรูปแบบถูกไหมครับผมก็คือมีความละเอียดในศาสตร์ต่างๆอีมานสําคัญกว่า น, นั้นครับอีมานท่านบีุลบาอีมานนั้นมันมีกิ่งก้านที่มากมายหากเราอยากจะเพิ่มอิมานเราก็ต้องไล่ดูเลยว่าเราจะเพิ่มกิ่งก้านตรงไหนบ้างกิ่งก้านตรงไหนที่ของเราที่มันยังไม่สมบูรณ์กิ่งก้านตรงไหนที่มันบกพร่องกิ่งก้านตรงไหนที่มันไม่มีเลย กิ่งก้านตัวไหนที่มันพอจะมีแต่มันดีได้อีกเราก็ต้องไปโฟกัสทีและกิ่งก้านกิ่งก้านกิ่งก้านกิ่งก้านเหมือนกับชาวนาชาวสวนเวลาที่แบบว่าเขาอยากให้ผลผลิตดีๆนะเขาก็จะมาเล็มก็จะมาแต่งมันต้องลงทุนถูกไหมครับผมบางทีก็ต้องเสียเวลาเพื่อให้ออกมาดีที่สุดอันนี้คือกับดุลยาแล้วกำลังพูดถึงอาลกิรอเราอยากประสบความสําเร็จเพราะนั้นอิมานของเราเนี่ยเราก็ต้องตกแต่งเราก็ต้องมีการทําให้งานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ท่านอบดเบาะบอกไงครับ การศรัทธานั้นนะ่ะมีกิ่งก้านอยู่ทั้งหมดบิดอุลหรืนะบนมีอยู่หกสิบกดกิ่งก้านหรือเจ็ดสิบกกิ่งก้านถ้าเราแปลแบบง่ายเลยแล้วกันก็คืออ ي م านมีประมาณเจ็ดสกกิ่งก้านเจ็ดสิกว่าแปลว่ามีหลายอย่างที่เราต้องโฟงกัสถ้าในบิบกิ่งก้านที่ประเสริฐที่สุดคือคำว่าละ il อ h ละฮะอิลละเพราะทั้งหมดอยู่ใต้คำนี้หมดเลย ถ้าไม่มีคํานี้จะมีอย่างอื่นไร้ประโยชน์ถ้าไม่มีคําว่าละอีลาห์อิลลัลจะละหมาดไม่มีประโยชน์จะมีความอดทนไม่มีประโยชน์จะมีความใจบุญจะถือสินอดจะไปทําฮัทจะอะไรจบเลยถูกไหมครัไม่มีประโยชน์เลยถ้าขาดกิ่งก้านที่สําคัญที่สุดอาจจะเรียกเป็นรากแก้วหรือเป็นกิ่งต้นหลักก็คือคาว่าละอีลาห์อิลลัลเหมือนต้นไม้มันก็ต้องมีลําต้นหลักถูกไหมครับผมถ้าไม่มีลําต้นหลักมันก็ไปไม่ได้ เพรนันท่านบบวที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยก็คือคำว่าลาอิลาห์อิลลลอพยายามทำมันให้ได้ซึ่งคำว่าลาอิลลลอหประกอบไปด้วยความรักที่มีต่อลอความหวังที่มีต่อลอความกลัวที่มีต่อพวกลอซุบารอุตาลารักอัลลอฮไหมหวังอัลลอฮไหมกลัวอัลลอฮไหมเราตรวจสอบตัวเองเลยว่าด้านไหนที่เราควรจะเพิ่ม ด้านไหนที่เราควรจะพัฒนาด้านไหนที่เราวรจะเปลี่ยนเวลาตอ น, นกลางคืนค่ำค่ำคืนคืนเรายังกลัวผีอยู่ไหมหรือว่าเราไม่กล้าไปข้าห้องน้ําคนเดียวเพราะกลัวจะมีใช่ตอนในโผมาไหมทุกอย่างล้วนเป็นคำล้วนเป็นคําอธิบายว่าเรามีอ إ ي م านต่อผู้ลอสสุภาโนตรามากเพียงใดผู้เริ่มท่านอับดุลเบีบอกว่า إ ม م ا ن ที่สําคัญที่สุดคือละอิลาฮิละล้อดูจากพฤติกรรมเราตรงไหนบกพร่องไปแก้ตรงนั้นครับอัเดนาฮาท่านอบีบอกว่าการศรัทธาขั้นต่ําที่สุดเนี่ย กิ่งก้านที่อยู่ต่ําที่สุดเนี่ยในเจสิบกิ่ก้านเนี่ยอิมาตุตลอาเจอานิตตอริเวลาที่เราเห็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันจะเป็นอันตรายบนท้องถนนเนี่ยเราก็เอาไปจัดการให้นี่คืออิหมานพี่น้องนี่คืออิหมานถ้าเกิดเราดูปุ๊บเออตอนแรกเราคิดว่าอิหมานเนี่ยจะเป็นแค่ศรัทธาเกี่ยวกับอัลลอฮ์เรื่องเกี่ยวกับอัลลอฮ์เท่านั้นแต่พอมือเรามาดูมิติปุ๊บ ที่ว่าศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันไปถึงมิติของเรื่องการแคร์คนอื่นด้วยออกเส้นทางนี้ฉันใช้เป็นประจำโอ้มีขยะกองมะฮ์มา ah ตั้งอยู่เลยถ้าเกิดคนขับรถมาเขาไม่รู้แน่จะชนแน่ๆน่เขาคือบ่าของอัลลอฮ์ฉันอยากให้บาของอัลลอฮ์นั้นปลอดภัยต่อให้เขาเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมฉันก็อยากให้เขาปลอดภัยในดุนยาฉันก็พยายามไม่สร้างภาระไม่สร้างอันตรายหรือเจออันตรายฉันก็ช่วยกำจัดให้แก่เขา ไม่มีใครรับรู้ไม่เป็นไรฉันทํำเพื่ออเวะนี่คือการศรัทธาพี่น้องเพราะใครจะไปคิดปกติแล้วผ่านทางถนนบางทีก็เห็นขยะตั้งเกินการบางทีเราก็ไม่ได้คิดถึงใช่ไหมบางที จ, จะเป็นกระป๋องขวดน้ําอัดลมบางทีอาจจะเป็นถุงขยะกอฟแกรบางทีอาจจะเป็นหนามบางทีอาจจะเป็นตะปูบางทีอาจจะเป็นน็อจจนตอจจนนอไม่เข้าใจเหมือนกันน็อตตะปูมไปอยู่บนถนนได้ไงนะพี่น้องแต่บางทีมันก็มีถูกไหมครับพี่น้อง บางทีกว่าเราจะรู้ว่ามันมีก็คือมันมันอยู่ในยางล้อรถเราเรียบร้อยแล้วนะครับต้องไปหาร้านซ่อมต้องไปหาร้านอะไรคิดดูครับว่าถ้าเกิดแทนที่ยางเราจะแตกเนี่ยแต่ก่อนหน้าเราน่มีคนคนนึงเขาเห็นแล้วเขาเอามาันปทิ้งเนี่ยทำให้ยางเราไม่แตกการเดินทางวันนั้นเราสะดวกขึ้นนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งนี้แหละที่เราไม่รู้แต่ a l l รู้ครับพี่น้องไม่อยากเป็นคนคนนั้นเลยที่ว่าช่วย พี่น้องช่วยมัคคุรู้ของอล้อช่วยสิ่งที่พว้อล้อสร้างเขาคงไม่รู้หรือว่าเขารอดอะไรไปบ้างจากการที่พี่น้องเอาขยะไปทิ้งให้บางทีเจอเศษแก้วบางทีเจอเศษอะไรที่ว่ามันอยู่บนท้องถนนหรืออยู่บนทางเดินที่มันจะทําอันตรายผู้คนบางทีอาจจะไม่ได้ทําอันตรายด้วยกับร่างกายแต่ด้วยกับจิตใจด้วยกับอะไรบางทีจะเป็นอของเสียของสัตว์อย่างเงี้ยอาจจะเป็นอุจจาระสุนัขหรือว่าแมวหรือว่าอะไรก็ตามแต่บางทีเราเดินปุ๊บเส้นทางนี้หมาแมวใครไม่รู้ล่ะไม่ใช่หมาแมวเรา แต่ว่าเราคิดว่ามันจะทำร้ายบ่าวของอัลละฮ์เราก็อาฆี่ยให้มันเรียบร้อยผู้รลรักความสะอาดเราก็อยากทำให้มันสะอาดล้วก็เขียให้มีคนรู้มีคนรับรู้ไหมไม่มีทาไปทาไมเพราะศรัทธาต่อ อ, อัลลอ์นี่คืออีมานพี่น้องนี่คืออิหมานการทำสิ่งที่ยังประโยชน์ให้กับผู้อื่นโดยที่ไม่มีใครรับรู้เลยนี่เรียกว่าเป็นอมาน เทนบีมสัสเซอมบรูรณนี่คือ إيمان อขั้นต่าสุดว่าผู้ศรัทธาเนี่ยครับขั้นต่าสุดเลยเราต้องแคร์ผู้อื่นไม่ใช่ว่าแคร์ผู้อื่นแสดงว่าเรามีอี إ ي ่านเยอะนะพี่น้องขีดมินิมัมของการมีอ إ ي م านเนี่ยต้องแคร์ผู้อื่นแปลว่าใครไม่แคร์ผู้อื่นนี่คือมินิมัมเขายังไม่ได้พี่น้องบางคนนี่คือไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของการที่จ ะ, ะทําความดีเลยที่ไม่มีใครรู้บางทีทําร้ายเพื่อนบ้านเห็ น, เ, หนเลย บางทีเปิดเสียงรบ ก, กวนเพื่อนบ้านทําอะไรรบ ก, กวนเอาขยะไปทิ้งกับเพื่อนบ้านน้ํารางน้ําแทนที่จะปล่อยลงตรวเงได้น่าเป็นลงใส่เพื่อนบ้านซะบางทีมีปัญหามีเรื่องอะไรต้องทะเลาะบ่อแว่งต้องอะไรครับเพื่อนบ้านต้องให้ความสําคัญเช่นเดียว ก, กันกับคนในสังคมเช่นเดียวกับพื้นที่ที่เราอยู่พระนัุ์อิสลามไม่ได้ถูกสอนว่าเราต้องทําดีเฉพาะกับตัวเราเฉพาะกับมุสลิมต้องทําดีกับผู้คน แม้แต่สิ่งสาราสัตว์แม้แต่สิ่งของครับเราก็ยังต้องใช้ให้ยังประโยชน์มากที่สุดต้องไม่มีความฟุ่งเฟือยแล้วก็ต้องไม่ทําลายในสิ่งที่ไม่จําเป็นในดิสตันนี้ทําจะทำให้เราเห็นภาพคําว่า إ ม م ا ن มากยิ่งขึ้นอันนี้คือขั้นต่ําสุดในะอ ي م ا มีเจ็ดสิกว่ากิ่งก้านแต่ว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องโฟกัสแล้วว่าพอเราพูดถึงว่าเราอยากจะเพิ่ม إ ม م ا ن เนี่ยมีประเด็นที่เราต้องไปโฟกัสเยอะเลยอย่างน้อยเจสกว่าประเด็นละ ประเด็แรกคือลาอิลาอลาฮลิลอลอก์ไปทำความเข้าใจแท้เงื่อนไขทั้งหมด12ข้อหรือ13ข้อเนี่ยแล้วแต่ว่าจะแบ่งเนี่ย12หือ13ข้อเราตรงไหนที่ยังบกพร่องทำมันให้ดีหลังจากนั้นก็มาดูด้านอื่นที่ว่ามันยังเข้าข่ายเรื่องของอีมานอย่างต่ำสุดเนี่ยคือการขาจัดอันตรายออกไปจากานถนนท่านอับดุลเบียวะสราสมพูดต่ออครับ คือแค่ขจัดอันตรายบนท้องถนนเนี่ราก็คิดบางทีเราคิดไม่ออกมันเป็นเรื่องการศรัทธาเป็นเรื่องอีิมานท่านนบีพูดอีกอันหนึ่งครับเกินคาดเลยว่าลายาอูชั่วแบตุ้นมีนั่อิมานแล้วความละอายเนี่ยก็เป็นกิ่งก้านหนึ่งของการศรัทธาผู้ที่มีความศรัทธานั้นเขาก็จะมีความละอายซุพานอัลลอฮคือความละอายนะครับถูกใช้เยอะแยะ ถ, ถูกไหมครับถูกไหมครับบางคนก็อายผิดที่ อายไม่กล้าเรียนอายไม่กล้าไปละหมาดอายไม่กล้าที่จะทำความดีแต่พอความชั่วไม่มีความละอายอันนี้ก็ไม่ใช่บางคนพอเรียนปุ๊บสงสัยอยากรู้จริงๆอายไม่กล้าถามอันนี้ถูกที่ไหมไม่ถูกที่ความอายแบบไหนล่ะที่ถูกที่อายที่เราจะพูดคำหยากพอจะพูดคำหยากปุ๊บอายให้ฉันฉันพูดคำหยากไม่ได้ฉันรู้สึกอายหรือพอจะเปิดเอารอ้อปุ๊บฉันรู้สึกอาย พอทําสิ่งที่ฮารอมปุ๊บฉันรู้สึกอายอันนี้แหละคือความละอายที่เรียกว่าการศรัทธาคือความลายใดก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะเรากลัวอัลลอฮ์เพราะเรารักอัลลอฮ์เพราะเราหวังจากา อ, า อ, อัลลอฮ์ความละอายนั่นแหละครับคืออิบารัดที่ทําแล้วอัลลอฮ์รักความลายนั้นคือสิ่งที่ทําแล้วทําให้พู้อัลลอฮ์รักก็ย้ํานะครับย้ําถ้ามันเป็นสัจธรรมนี่คือ ห้ามอายนะเป็นความจริงห้ามอายนะเพราะาเราบอกว่าไงครับวัลลอฮุลัยซซะฮิมินัลฮักเพราเราไม่ละอายในเรื่องที่มันเป็นความจริงอินัลลอฮลายซซะฮิอยยัดดิบะมัสลมาบูรตะต้องฟะมาฟ า, าะกวาดสรุกรบวเราก็บอกครับพวาเราไม่อายเลยนะที่จะยกตัวอย่างจะเปรียบเทียบกับมแมลงวันเล็กๆน้อยเอามาเปรียบเทียบคือบางคนบอกถ้าจะเปรียบเทียบต้เอาเรื่องที่มันยิ่งใหญ่เรื่องอลังการ พราาะบอกถ้าจะให้เราเข้าใจเนี่ยจเจ้าเรื่องยุงมายกตัวอย่างให้เราฟังเอามะแรงวันมายกตัวอย่างเนี่ยพวกเราก็ไม่ไอายเลยที่จะยกมาเพราะมันคือศัจรูธรรมมคือความจ ร, รมิงมันคือสิ่งที่ทําแล้วพวกเราได้ประโยชน์พวกเราได้ประโยชน์พี่น้องที่รักเรื่องของความละอายไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆทราบบ้าที่รายงานฮะดิสก็มีสายรายงานที่บอกว่าท่านอับดุลเบีรยร์มัยยิดส์นั้นมีความละอายยิ่งกว่าสาวแรกรุ่นซะอีก อย่างที่เราทราบครับผู้อินที่ว่าเพิ่งแตกเนื้อสารนะจะมีความละอายเยอะเขาเขายังไม่ค่อยรู้รู้รู้สึก ร, รู้ยังไม่ยังมีความไร้เดียงสารครับผมก็คือยังไม่ค่อยรู้ถึงพิษภัยไม่ค่อยรู้อะไรก็จะมีความอายอะไรเยอะโซฮาบะบอกท่านนบีมีความอายมากกว่านั้นอีกขานาดไหนวันรอฮะลัมเกินจินตนาการแต่ที่แน่แนครับนบีทุกคนท่านนบีทุกคนที่โพลล์แต่งตั้งมา จะพูดประโยคนึงเหมือนเกันในเรื่องของการศาัทาท่านนบีอุสสันบอกว่าอินเนมมาอัลลอกรกนัสมินกาลาบินูบูวะติลอูล่สิ่งที่ผู้คนได้ยินมาจากนบียุค ก, ก่อนนี้จากนบีต่างๆยุค ก, ก่อนนี้สิ่งที่ผู้คนทั้งหลายได้ยินมาอิดายลัมตัสได้ฟะสนะมัชิดหรืออิดายลัมตัสได้ฟะสนะมัชิดาซึ่งมีความหมายว่า หากไรซึ่งความละอายอยากทำอะไรก็ทำไปเพราะความละอายเป็นกุญแจอดอกสุดท้ายแล้วที่จะห้ามเราจากการทำสิ่งที่ฮารอมถูกไหมครับบางคนรู้จักผิดชอบช่วดเหลืออะไรก็คือความละอายนะเป็นประการสุดท้ายบางคนมีโอกาสทำความช่วได้แต่ไม่ทำเพราะยังมีความละอายอยู่แต่ถ้าไม่มีความละอายแล้วทำได้ทุกอย่างพี่น้องทุกอย่างเลยจริงจริงไม่มียกเว้นเลยเพราะนั้น พอเรามาดูฮะดิษบทนีออ้การที่เราจะทําให้การศรัทธาของเราสมบูรณ์เนี่ยมันมีหลายด้านที่เราต้องโฟกัสนะถ้าพี่น้องยังคิดไม่ออกว่าจะเน้นด้านไหนอะนฮะดิษบทนี้นบีพูดอย่างน้อยสามอย่างเกี่ยวกับลาอิลาฮิลาลลอหเนี่ยดูซิว่าเราเข้าใจแค่ไหนผมบอกแล้วเงื่ยขัยมีสิบสองถึงสิบามข้อดูว่าครบแค่ไหนแล้วอันที่สองก็คือที่ท่านนบีบอกไว้ก็คือเราคอย ทำลาหรือว่าขาจัดพวกอันตรายออกไปจากท้องถนนไหมคือไม่ต้องสนว่าคนจะเห็นคนไม่เห็นเราทำมันไหมถ้าทําเพื่ออัลลอฮ์นั่นแหละคืออิมานที่เราจะสามารถเพิ่มคูนให้มานสมบูรณ์ขึ้นไปได้อีกหรือว่าอันที่สามก็คือดูเรื่องของความละอายละอายแก่ใจไม่เวลาจะนินทาชาวบ้านเวลาจะทําสิ่งที่ห้ารำเวลาจะทิ้งรสกีของอัลลอฮ์เวลาที่จะด่าว่าใครเวลาที่จะคิดร้ายคิดไม่ดี มีความอายไม่ถ้ามีความอายนั่นแหละสุออมานที่จะเพิ่มขึ้นไปอีกครับก่อทักทายพี่น้องก่ อ, อนที่เราจะไปต่อนะครับคุณณัชัยรละสลามมาวันคุมสลามาตุบลร้อวอบาร์รักเกอร์ตู้คุณคุณเดนินธรรมรานะครับให้กําลังใจมาขอบคุณมากมากครับพี่วันนี้นะครับสลามมาเต็มๆก็วันคุณสลามาลอุบลร้อนวอรบาร์รักเกอร์ตู้คุณเฉลียรับชมต่อยินดีครับจัสมุนหมอนกันคุณณัวิยสลามมานะครับวันคุณสลามาลอุบลร้อวอรบารรักเกอตู้ครับคุณวานิสนะครับจากเจริญกรรุงนะคับ ก็ขอล็กคุ้มคองเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วารินุสลามุตุลบอฺาบารกะตุครับผมคุณเคยดินนะครับก็สละมาช่วอธิบายรีสกรุสีนะครับว่ามีที่มาอย่างไรได้คำอิจฉาเราครับผมคุณสรนีนะครับสละมาแล้วก็ขอบคุณสำห ร, รับดูอากับเนเสียต่างๆนะครับก็วารินุสลามุตุลลอฮฺบอฺบารกะตุด้วยนะครับผมแต่เงี้ยมีคําถามมาเงี้ยเรา เบรคนิดนึงนะครับผมฮาริสกซีมีที่มาอย่างไรนะครับ ต, ต้องเรียกว่าฮาริสกูดซีนะครับผมฮาริสกูดซีส่วนอายะเรียกว่าเป็นอายะกูดซีอายะกูซีที่มีในบะกรอนะครับเรียกว่าเป็นอายะกซีนะครับส่วนฮะเนี่ยดกดซีฮาริสที่บริสุทธสซีมีที่มาอย่างไรฮารกดซีนะครับก็มีที่มาจากโพลัสุบฮาหนะหูวะตาละที่ไม่ใช่คุราน อย่างที่เราทราบกุรอานคือคําพูดของผู้ลอสวาตาลาที่ว่าผู้ลอ ส, ส่งมาผ่านชิปลิ้นมาให้ท่านนบีมุสลลอยลิมใครก็ตามอ่านได้ผลบุญในทุกอักขระอักษรแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยจาบวันเกียรมาจับจนกว่าจะจบโลกไปนะครับนั่นคือกุรอานแต่ถ้าเป็นคําพูดจากผู้ลอสวานตาลาที่ส่งมาผ่านทางชิปลิ้นมาให้ท่านนบีแต่ไม่ใช่กุรอานเราเรียกว่าเป็นฮาริสกุดะซี ซึ่งฮะดีสกุรษีเนี่ยมีทั้งซาเฮะกับมีทั้งดา อ, อีฟ ก, ก็คือมีทั้งที่คนแต่งขึ้นมาเองกับมีทั้งที่มาจากผู้ลอสซาบัตลามาให้นบีจริงๆคือมันก็ต้องมีการตรวจสอบคือไม่กุรอานเนี่ยเราชัดเจนอยู่แล้วเพราะกุรอานเนี่ยคือตะวะตุศเลยสายแรงงานมาคือไม่มีการโกหกไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ฮะดีสถ้าขึ้นชื่อว่าฮะดีสนะครับจะมาจากท่านนบีหรือมาจากผู้ลอสซาบัตลาก็ตามผู้ลอไม่ได้รับรองว่าจะจะ รักษาจะปกป้องจะคุ้มครองแบบไม่ให้โดนเปลี่ยนก็แปลว่าก็มีการเสริมแต่งได้มีการโกหกมีการใส่ร้ายได้เพราะฉะนั้นพอเจอฮาิษกุสีปุ๊บ ก, ก็ต้องมีการตรวจสอบสถานะมีความเชื่อถือไหมซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นฮาริสกนบีอันไหนเป็นฮาริษกุสีก็ง่า ย, ายๆเลยก็คือิสกุซีคือสำนวนเนี่ยจะใช้ว่าพ่อลพูดเลยเช่นบ่าวของข้า แล้วก็ต่อด้วยกับคาพูดซึ่งก็มีหลายบทยนะครับหรือถ้าท่านะบีบอกว่าอัลลอ์ได้พูดว่าที่ไม่ใช่กุรานทั้งหมดก็เป็นฮะดิษฟุตุสีครับผมอ่ะกลับมาประเด็นเราต่อทีนี้พี่น้องที่รักครับคุณชาดอกแรกบอกไงนะครับเราต้องเติมเต็มอม م านของเราสำหรับผู้ใดก็ตามที่อัฟละหาอยากจะประสบความเสเร็จในชีวิตเราก็ต้องหมั่นเติมเต็ม إ ม م ا ภายหลังจากที่เราต้องมี บรรทฐานในการตัดสินชีวิตคือตัดสินโดยใช้บรรทฐาน์โกหน้าตัดสินใช่ไหครับอันที่2ก็คือตําเ ต, ม, ต, ม, ตมอิมานอิมานการศรัทธาด้านกิ่งก้านที่สำคัญมากมา ก, มากอีกกิ่งก้านหนึ่งนะครับที่ว่าพวกเราต้องไม่พลาดต้องเช็คให้ดีที่สุดนั่นก็คือความอดทนครับพี่น้องอัซซอบะรุ <c oughs> พูดถึงความอดทนใน่ยาวพี่น้อง เป็นหนึ่งในกิ่งก้านของการศรัทธาที่สำคัญมากมากเพราะมนุษย์เราเมื่อเกิดมาในดุนยามีแต่เรื่องที่ทนเยอะไปหมดเลยการอดทนก็มีเยอะหลายประเภทพี่น้องอดทนในการทาความดีอดทนที่จะไม่ทำความชั่วอดทนในการต้องอยู่กับผู้คนอดทนในการที่จะบททดสอบของพู้อัลลอฮ์อดทนในการสูญเสียอดทนในการได้รับ มันต้องอดทนทุกเรื่องไม่มีเรื่องไหนไม่ต้องทนพี่น้องแล้วจะเป็นคนดีคนชัว่วก็ต้องทนพี่น้องไม่มีใครไม่ทนถามว่าใช่ตอนอยู่กับเรามันต้องทนไหมมันก็ต้องทนนะพี่น้องอดทนเพื่อที่จะดึงเราลงลุกไปกับมันต้องอดทนไหมต้องอดทนหรือถ้าเกิดคนดีอยู่กับเราต้องอดทนไหมก็ต้องอดทนคือถ้าเกิดมีการอยู่ร่วมกันยังไงมันก็ต้องมีคำว่าอดทนแต่ประเด็นก็คืออดทนนั้นเป็นอิบาดะเป็นการศรัทธาหรือเป็นอดทน ที่ทำให้ได้บาปอดทนมีสองอย่างส่วนใหญ่ถ้าอดทนเพื่อให้ได้ความชั่วอดทนเพื่อให้ได้บาปเนี่ยคนพร้อมที่จะทนพี่น้องเชื่อไหมถ้าอดทนดีๆเนี่ยมันยากมันฝืนแต่ถ้าอดทนในเรื่องฮารอมเนี่ยคนพร้อมที่จะทําอย่างเช่นถ้าทนอีกนิดนึงนะจะได้ดูบอลที่อยากดูอะเยกตัวอย่างบอลแล้วกันชัดเจนดีเพราะว่าลูกตีหนึ่งทีสองเห็นเยอะแล้วเกินลุกขึ้นมาได้คือต้องทนทั้งนั้นแหละ ทนได้ไหมทนได้หมดไม่ทรมานด้วยหรือคนจะทําซีนะาต้องทนไม่ก็ต้องทนเพื่อให้ทําซีนได้ต้องไปหาที่รับร้อนต้องตรงไปเลยต้องทนไม่ต้องทนแล้วมาต้องทนไม่เอายิงต้องทนเลยพอพูดอะไรที่มันดีๆเลยนะพี่น้องทนเยอะเลยทำเอามานะต้องทนไม่ต้องทนอยู่กับคนช่วต้องทนไม่ต้องทนอยู่กับคนดีต้องทนไม่ต้องทนไม่มีอะไรที่ไม่ต้องทนเลยนะพี่น้องเพราะนั้นถ้าชีวิตมันต้องทนอยู่แล้วเนี่ย เราเอาไปรวมกับข้อแรกเนี่ยข้อแรกที่ว่าเอาอาเคโรเป็นบรรทัศฐานเนี่ยอดทนเพื่อให้ได้อาร์เคโรยาเน้นแต่อดทนเพื่อให้ได้ดุญย์ยาโฟลกาวเล็กหลานเขาว่าอินนามาโยฟัสซเบียรูนะอัชราหูบิร้รฮิซบแน่นอนผู้ที่อดทนนั้นจะได้ถูกตอบแทนโดยที่ไม่สามารถที่จะจินตนาการได้หรือ ว, ว่าการตอบแทนนั้นจะมากขนาดไหน เป็นการตอบแทนที่เกินเกินที่จะคำนวณเกินคาดคิดนะครับพี่น้องซึ่งเชคซัลมาเชคสุไลแมนนะครับบิลกาซิมเขาบอกนะครับกุลูอัลมารินยูอาราฟูดเวาบูอิลาซับทุกการงานเนี่ยเวลาเราทําความดีเนี่ยเราจะรู้ว่าการตอบแทนได้รับอะไรทุกการงานคือทํำอย่างนั้นได้อย่างนี้ทําอย่างนี้ได้อย่างนั้นจะมีการระบุไว้ทำอย่างนี้ได้รับการไถยโทษนะ ทำอย่างนี้เอ่อได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์นะทำแล้วเนี่ลเราจะยกระดับขั้นให้นะแล้วนึกถือเราด้วยกับนิจอย่างนี้แต่อันนี้ความที่งามหลักๆนะครับเราจะรู้ว่าทําแล้วได้อะไรยกเว้นการอดทนยกเว้นการอดทนเพราะพวกเราบอกไงครับอินนามาโยฟซอร์บูนอัจฉริย์เบียร์ไอดีไฮซาบผู้ที่อดทนจะได้รับการตอบแทนอย่างเกินจินตนาการเยอะไหมพี่น้องเยอะนะมีผลให้อดทนเยอะขึ้นไหม ทนเยอะขึ้นเถ่ะพี่น้องบางคนบอกเนี่ยขู่ครองใช่นในชั้นอยู่กับมันในชั้นทนมันเหลือกเกินอ่ะเรามาตรวจสอบเองทนเพื่ออะไรทนเพราะไม่มีทางไปหรือทนเอ่อเพราะปล่อยให้มันจบจบไปหรือว่าทนเพื่ออาาัะไรถ้าทนเพื่อ Allah อเนี่ยจบแล้วพี่น้องผลลบุญรอเกินจินตนาการได้รับแค่ไหนถึงขั้นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะได้รับเยอะขนาดไหนเพราะมันเกินที่เราจะคิดถึงเนอะพี่น้อง มีกําลังใจให้ทนมากขึ้นไหมมีกําลังใจผลที่ไม่สบายก็เหมือนการเอาใหม่สบายอัลลอฮ์ทดสอบคือไม่สบายยังไงมันก็นต้องทนถูกไหมครับคือพี่น้องจะบน่นมันก็นต้องทนพี่น้องไม่บน่นก็ต้องทนแต่ถ้าเกิดไม่สบายปุ๊บอ่ะเราอดทนถามใจตัวเองว่าทําไมถึงทนอยากให้อัลลอฮ์รักพอแล้วเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดแล้วทําไมฉันต้องทนกับการสูญเสียทำไมฉันต้องอดทนกับความเศร้า ทำไมฉันต้องอดทนกับความเหงาทำไมฉันต้องอดทนกับความอดอยากทำไมฉันต้องอดทนกับการไม่ได้สิ่งที่ดีทำไมต้องอดทนทำไมทำไมทำไมทำไมทไมให้อัลลอฮ์รักแค่นี้อยู่ว่าฟสซอบรุนอัจราหุมเบียร์กอรริซบแค่นี้ถ้าเกิดพี่น้องจบตรงที่ว่าฉันทนเพื่อให้อัลลอ์รักพี่น้องแค่นี้ยจบแล้ว รอการตอบแทนแบบเกินจินตนาการโลกหน้าพี่น้องอาจจะคิดด้วยซ้ำยาล้อทํำไมไม่ทดสอบชันให้หนักกว่านี้หน่ายาล้อฉันน่าจะมีชีวิตอีกสักสิปีทรมานได้อีกสิบปีไอ้เรื่องเนี่ยฉันน่าจะทรมานอีกสิปีฉันจะได้บุญเยอะกว่านี้วมื่อรอราแล้วไม่มีทางรู้ครับจนกว่าเราจะเห็นว่าพวกล้อเนี่ยจะตอบแทนอะไรเราบ้างเมื่อ น, นั้นเนี่ยเราได้สูงสุดก็คือได้แค่เสียได้เลยแบบว่ามันน่าจะโดนอดทน น, น่าจะโดนทดสอบให้ต้องอดทนมากกว่านี้ แต่พอในดวงใจอลัลลอฮ์ไม่ไหวแล้วอลัลลอฮ์ไม่เอาแล้วฉันล้อฉันอยากจบมเมื่อไหร่จะจบจบสักทีอัลลอฮ์ฉันอยากตายแล้วอดทนพี่น้องอดทนแล้วก็อดทนถามว่าทนทําไมเพราะอยากให้อลัลลอฮ์รักถามว่าทนทําไมเพราะเราอยากได้การตอบแทนที่มันเกินจินตนาการเห็นไหมครับถ้าอยากประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงเติมเต็ม إ ي م านของเรากันแล้วเราจะประสบความสำเร็จ อย่างแท้จริงครับผมพวกเขาบอกว่าอันนีจ้จะใช่ตัวหุ่มเหลียวมาบีมาสบารูอันนั้หุมหุมุลฟาอิซุนกลับมาที่กุญแจที่เราพูดนะครับในสรุมูมีนูนแล้วในวันนี้อันนี้โพลล์กล่าวนะแล้วในวันนี้ข้าจะตอบแทนพวกเขาเพราะพวกเขานั้นได้อดทนข้าจะตอบแทนด้วยการให้เขาเป็นผู้ประสบความสําเร็จ ในวันไหนวันกี่ยามะกลับไม่ไงเราเพงพูดถึงกรา ร, ก ร, า ร, รออากประสบความสำเร็จไงกดอัฟลาฮ่าถูกไหมครับแล้วอยาประสบความสำเร็จพวกเราบอกนี่ไงอดทนสิไม่ใช่อดทนไปอย่างนั้นนะอดทนเพื่อข่าสิอดทนเพื่ออัลลอฮ์สิแล้วเจ้าจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงแค่อาจจะบอกว่าการชีวิตฉันมีแต่เรื่องที่ล้มเหลวมีแต่เรื่องที่สิ้นหวังมีแต่เรื่องที่ผิดหวังชีวิตฉันมันคงไม่ใดดีฉันคงไม่ประสบความสําเร็จ ขอแค่อดทนเพื่ออัลลอฮ์ทุกคนทําได้หมดคนรวยทําได้คนจนทําได้ผู้ชายทําได้ผู้หญิงทําได้เด็กทําได้ผู้ใหญ่เทำได้ทําได้ทุกคนพี่น้องคือมันต้องทนอยู่แล้วคือธรรมชาติมันต้องทนไงคือถามว่ากาเฟ่ไม่ต้องทนหรือกาเฟ่ก็ต้องทนเชื่ออัลลอฮ์ต้องทนไหมต้องทนไม่เชื่อพวกอัลลอฮ์ต้องทนไหมก็ต้องทนนับถือศาสนาต้องทนไหมต้องทนไม่นับถือศาสนาต้องทนไหมต้องทนมันต้องทนอยู่แล้วคือมันเป็นธรรมชาติเราต้องทนเน่ยเพียงแต่ว่าทนฟรี ทนแล้วไม่ได้อะไรเลยหรือทนแล้วได้ความรักจากผัลอสุบฮนะฮวาตาละแค่ปรับใจเรานิดนึงอ่ะที่มันต้องทนมันต้องทนอยู่แล้วเนปรับนิดนึงให้เอารับรักแค่เนี้ยเติมเต็มอิมานของเราเนี่ยกลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จได้เลย พี่น้องครับในรอมาบุคลยมา穆斯林นะครับจากท่านอานัสเนี่ยมีช่คนชาวอันซอรเนี่ยครับเขาน้อยใจมหาราบีแล้วบอกยาระซูลล๊ออิสตามันตะฟูานวะลัมตะสตาไมลีเนี่ยยารซูลลออิเ่ไมนบีใช้แต่คนนั้นทาไมไม่ใช้ผมมั่งนี่คือคนดีไยซบาบะคื อ, อยากให้ท่านะบีใช้เขามั่งเขาก็มาแบบน้อยเนื้อต่ำใจก็บอกนายาละบีเนี่ยฉันทไมไม่ใช้ฉันมั่งในฉันรักท่านฉันอยากอยู่กับท่านเนี่ย ท่านเบบีร์มัลลาสันบอกว่าไงครับอินน um ักุมสตราวนาบะติอัศรตันฟัสบิรูฮัตตะลกวานีอัลลฮาวดหลังจากยุคสมัยของฉันเนี่ยคุณจะเจอเหตุการณ์เป็นฟิตรณะเป็นความวุ่นวายเป็นอะไรก็ตามท่านเบีบอกไงครับเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยให้คุณอดทนจนกว่าจะไปเจอกับฉันที่บ่อน้ำแปลว่าความอดทนเพื่ออัลลอฮ์ในฟิตรณะนั้นจะเป็นเหตุให้ได้ไปอยู่ ไปเจอนบีที่บอ่อน้ําก็ปแปท่านนาบีอสันบอกเซาบาสเทียนี่รู้ว่าคุณอาจจะไม่ถูกใช้ในตอนนี้คุณไม่ต้องกลัวคุณจะไม่ไอยู่กับฉันถึงเวลาคุณจะได้อยู่กับฉันเพราะมันจะมีพิตนาเกิดขึ้นขอเพียงแต่คุณอดทนกับพิตนาคุณก็จะได้ไปเจอฉันที่บอ่อน้ําซุบฮานอัลลอฮฺซุบฮานัลลอฮพี่น้องครับท่านอัตโต บินอบีรบาสนะครับได้กล pues, ่าวว่าไงครับท่านอิบโนบัสก็คือท่านอาต้อเนี่ยก็เป็นตาบีอินได้บอกว่าท่านอิบโนบัสเนี่ยครั้งหนึ่งได้บอกกับเขาอาจารย์บอกกับลูกศิษย์บอกว่าอยากเห็นผู้หญิงที่เป็นชาวสวรรค์ไหมอาจารย์คืออิบโนบัสเนี่ยครับซาฮบานี่ได้บอกกับลูกศิษย์ท่านอาต้อบินอบีราบาเธออยากเห็นผู้หญิงที่เป็นชาวสวรรค์ไหมใครจะไม่อยากเห็นใครจะไม่อยากรู้ใช่ไหมครับผม กุ้นตูบาละแน่นอนครับท่านอาตต้บอกก็อยากรู้สิครับคนไหนล่ะครับผมท่านอิมรุบัสก็บอกว่าผู้หญิงดําคนนั้นไงหญิงดำคนนั้นไ ง, ง, นนนไงก็ดูกันนางเนี่ยได้มาหาท่านนาบีมุสลิมสลามพ่อนางนั้นเป็นคนที่เป็นลมบ้าหมูเป็นโรคลมชักบ่อยๆมีโรคประจําตัวก็คือนางเป็นลมชักนางได้ไปหาท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยซ์สลามแล้วนางก็ได้ ขอกับนบีไปขอคือนบีบอกว่ายาระซูลอลลอฮ์ฉันเนี่ยเป็นมีอาการอย่างที่บอกแหละฉันเป็นคนที่มีลมชักบ่อยๆลมบ้าหมูคือพอมีปุ๊บจะไม่รู้สึกตัวแล้วพอฉันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยฉันก็จะมีผ้าผ่อนมีอะไรก็จะโปะไงครับผมก็จะโปะเขาก็เลยบอกยาระซูลอลลอฮ์เนี่ยช่วยขอดูอาให้ฉันทีช่วยขอดูอาให้กับฉันที ท่านอบเีมัสสัมบอกไงครับอินชีตีซบาร์ตีอินชีตีซบาร์ตว่าลกินเันนะว่าอินชีตีดาเอตูดาอาตูรอแล้กีไอยูอาฟอ่ะเธอเลือกเอานะถ้าเธอต้องการนะจงทนจงทนกับบททดสอบนี้แล้วเธอก็จะได้เข้าสวรรค์แล้วเธอก็จะได้เข้าสวรรค์แต่ หากเคยต้องการฉันก็จะขอดัวให้เธอหายก็ได้อ่าให้เลือกเป็นพี่น้องจะเลือกอะไรอรัคือไม่สบายใครๆก็อยากหายใช่ไหมครับยิ่งถ้าเกิดโรคที่เรารู้ตัวยังไงมันก็ไม่หายเราเรายิ่งมีความหวังแล้วยิ่งอยากจะหายจากมันนะพี่น้องธรรมชาตินี่ท่านนบีก็บอกคนนี้เป็นลมชักคือไปหาหมอคือเอก็ไม่หายแล้วมาหานบีอยากขอดัวให้นบีขอให้น่าจะหายท่านนบีก็บอกโอเคได้อ่ะเลือกเอา อยากให้ขอเดี๋ยวขอให้อินชาลอหายแต่ถ้าเธอเลือกที่จะอดทนเพื่อ้อเพราะนี่มันยังไม่ใช่โรคที่มันอันตรายอะไรขนาดนั้นถ้าเธออดทนกับโรคนี้เธอจะได้สวรรค์ผูห้หญิงคนนี้พอได้ยินปุ๊บไม่คิดอะไรมากครับดัลอะสเบียโอ้ยาจารยล่า ถ, ถ้าท่านให้ฉันเลือกสองทางเนี่ยฉั น, ฉ, นฉันขออดทนดีกว่าฉันทนดีกว่าฮขอทนแล้วได้สวรรค์มันคุ้มกว่าสูไหมครับ แต่นางบอกเขาว่าฟะตออลออัลลาอัตกะชัฟชี่ขอร้อจากอัลลอย่างยรลล้อว่าเวลาฉันเป็นโรลคลมชักเนี่ยขออย่าให้เปิดอาล้อขึ้นางมีความอายครับนางมีความอายเนี้ยท่านเบีดใส่ซามก็ขออุอาให้อันนี้คื อ, อย่างที่คอยมาบุคคลีแล้วก็อิมามมุสลิมนะครับผมก็เป็นตัวอย่างที่ดีงามนะครับที่มาจากซาวะบะนะครับแล้วก็บรดาบผชน ในยุคอดีตที่ว่าด้วยกับแนวทางที่พวกเขาเหล่านั้นน่ะได้ยึดเนี่ยพวกเราก็จะขอดำเนินตามแนวทางของพวกท่านเหล่านั้นนะครับบ ร, ริยมวานหุวว้มวาราตุ อ, อันครับผมก็พี่น้องที่รักจริงครับจะประสบชัยชนะเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยในชีวิตอย่างแท้จริงเนี่ยกุญแจเราคุยไปบอกว่ามีทั้งหมดสดอกดอกแรกก็คือต้องมองอ่ะต้องมองชีวิตเนี่ยโดยใช้บรรทัดฐานของอครลอ ข้อที่2ก็คือว่าต้องเติมเต็ม إ ม م ا ن ของเราให้เต็มมิช่าว่าครับครั้งต่อไปเราจะมาพูดคุยกันถึงกุญแจดอกที่3เป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเราว่ากันมินช่าวรอครับผมคุณดวงดาวสลามมานะครับก็ว้คุณสลามาัลตุลลอฮ์วะบาริกาตุครับผมผมเห็นข้อความแค่นี้นะครับท่าในใดทักมาผมไม่เห็นก็ขอมาฟด้วยนะครับผมวันนี้ก็น่าจะได้พักกันแค่นี้ขอมาฟด้วยนะครับวันนี้คงจะไม่มีฟิกนะครับผมไม่ได้คุยฟิกขอไปทบ อาทิตนะรักนะอินชาอัลลอฮ์นะครับอะกูลุคุริฮะดะบัซซัฟลุลลอฮ์ลิวาลกุมบริษัทมุสลิมีน่าุาักฟรูอินฮวัฟูรอัลิมุบฮะัลลฮัมดิกะอชดอัลลาอิลัลอสักวิัตุคัลลอฮ์วรกตุครับผม